ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين ولعدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأولين و ا ل آ خ ر ي ن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إليهم الدين ثم أمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو نيجا نا فن ك ا ل ن ا เตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องเรื่องขอดุราอุาฝนตกเนี่ยคิดว่าจำนวนยอนะเวลาฝนตกเนี่ย ไ, ไ, ไม่ได้ขอดุอาคือไม่ได้ไม่ได้นึกถึงจะขอดุอามันแล้วแต่บางคนถ้าไม่ชอบฝ น, นอีกหลักมมีเรื่องบนมานะผมก็เป็นเมื่อวานเพิ่งล้างรถเสร็จนะ เอ้มาพาดีโมนโบนโนอยู่นั้นนะอันนี้ในใจของเราแต่ที่จะขออุทธร์ละหุ่มใส่บันนาเฟียก็เป็นประโยชน์ย่อมเป็นประโยชน์กันบีก็ให้ขอดุทธรณ์เนี่ยละหุมมใส่บันนาเฟียใส่บันคอยมีความจำเรินมีความมากมายนาเฟียมีประโยชน์เวอาสั้นๆนะครับ แมนว่าเราจะเจออะไรจากฝนอะไรที่ไม่พึงประสงค์นนะเสื้อเปียกมาบ้า น, ห, นาหลังคารั่วล้างรถแล้วก็โดนฝนหรือว่าคนที่จะต้องสัญจรเดินทางเองหมายถึงว่าต้อ ง, ต, องต้องเดินไปนู่นไปนี่เดินเองอะ น, นะหมายถึงว่าต้องตักฝนนี่กิลืมลืมร่ม เติมเสื้อกนันฝนถ้าเกิดอะไรนี่นะครับแล้วเราขอดุอานี่มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดเพราะเราเราเชื่อมั่นในดุอานีเราขอขออะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการให้เพียงแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์มันอยู่ตรงไหนที่เรามองไม่เห็นและนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราได้จากสุนนะของท่านนายพิศลละห้อยอะไรอยู่ส่วน แนวทางของท่านนบีสุลตันรอห์อัยเลยเป็นสนามย่อมมีความประโยชน์มีมีประโยชน์มีความจำเริญเสมอว่าอินตุตีฮูแต่ตะดูแต่เชื่อฟังท่านแล้วเนี่ยถ้าพวกเจ้าได้เชื่อฟังท่านเชื่อท่านนบีแล้วเนี่ยแต่ตะดูพวกท่านก็จะได้รับทางนําอยู่ในทางนําเช่นเดียวกันนะครับก่บการเรียนรว้อัลกุรอาน ก็จะเป็นทั้งน้ำมีประโยชน์สูงสุดสำหรับปัญญาปัญญาของพวกเราทุกคนตามการกระแสนิยมที่อาจจะทำให้สติปัญญาความคิดบิดเบี้วเบี่ยงเบนหรือมีความคิดคด ต่อศาสนาคิดไม่ดีต่อศาสนาเออก็มีมีเจอมุสลมบ้านเรานี่ก็เจอบ่อยที่ผมพูดพูดเรื่องนี้บ่อยที่ผมมันเกิดบ่อยจริงเลื่อมใสกับศาสนาเป้าลยตรงไปตรงมาพอแค่แบ่งมรดกเนี่ยเป็นเรื่องพอแค่แบ่งมรดกไม่เอาแล้วกฎหมาย islam เอากฎหมายไทย ไม่伊斯兰นี่ไม่ไม่แฟร์ไม่ไมยุติธรรมอักกดหมายคาเพรซ <c oughs> ึ่งมันเป็นบททดสอบไงว่าการที่เรายอมรับในคำสั่งสอนยอมรับในหลักการยอมรับในคุตตานในสุนนะของท่านนาบีสุลต์ละลอฮ์อัลลอฮ์ในอันละมัตุนเสมอตุนเสมอปายเสมะตุนเสมอ كونوا قوامين لله ش هداب القسط ولو على أنفسكم أو الوالدين و ا ل ق ك ر ب ي ن تون و ن ين ينترون... ตรง وكونوا قوامين لله ين ตรงเพื่ الله. ما ي m e ا بن سكيبيان ื الله. ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ให้การในสิ่งที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับตัวเราวาลาอะลัอัลฟุสิกให้การเนีมันก็ต้องตรงไปตรงมาตรงความจริงถึงแม้ว่าไม่เป็นประโยชน์อแลอัลฟุสิกุลต่อตัวเราอาวุลวาลีได้หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อโฮแม่บิดามันนะอาวุลอะกราบีนหรือญาติคนใกลชิดเราก็ต้องให้การที่มันถูกต้อง หลักการศาสนามีมีบทดสอบในตัวเราไม่ได้เรียนรู้กุรอ่านจะได้รู้ความหมายและเสิ้นเรื่องเราเรียนรู้กุรอ่านจะได้ซึมซับความสั่งสอนและพยายามพร้อมๆกับความหมายกุรอ่านเนี่ยเราต้องศึกษาความเลื่อมใสเลื่อมใสในกุรอ่านความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์นและการศาสนาความซื่อสัตย์ในคาสั่งสอนนี่นี่มันต้องเรียนพร้อมๆกันนั่นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้มอบเป็นมรดกกับสหาบะถึงจะเป็นโอกาสที่สหาบะได้ทำหน้าที่ดำรงซึ่งคาสั่งสอนอิสลามในสังคมโลกทั้งหมดแต่คำตัดสินของสหาบะทั้งสิ้น เพราะเป็นลูกศิษย์ของท่านนบีสอลต่านแล้วคำแต่สิ่งของซาฮาบ้าน okay. ี่แต่ตัวเขาผิดนี่เขาก็ว่าว่าว่าตามตาเนื้อผ้าตัวเขาผิดนี่ก็ว่าเพราะซาฮาบ้านี่ก็ถืว่าเป็นพรรคพวกเดียวกันพักพวกเดียวกันสาวกนบีพรรคพวกเดียวกันนั่นก็ต้องปกป้องปกป้องเพื่อนเพื่อนฝูงไงทำไมใครผิดนี่เขาก็ว่าผิด เรื่องนี้เขาก็ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกศิษย์รุนบบ่นแ ต, บ, บ, นต บ, บ, นบิอยนตแตบิอัยน์แบิอันเนซึมซับซึมซับกเรื่องนี้จนจนเป็นอัตลักษณ์ของของยุคสลับยุคสลับที่จะเป็นแบบอย่างที่ท่านนาวิศรัณ์อนอยท่านเลยสรับิ้น <c oughs> สุมความเสื่ตรงความเลื่อมใสตรงไปตรงมา เขาเห็นคุณค่าของของคาสั่งสอนศาสนานี้ว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องไม่ได้เลยแม้กระทั่งตัวเขาหรือคนอื่นเนี่ยที่จะมีอาจจะมีผลประโยชน์ความเห็นที่มันไม่ตรงกับคาสั่งสอนเนี่ยเขาจะพยายามที่จะย่ำย่มความคิดของตัวเองย่มความคิดของคนอื่นดูถูกเลยนะถึงขนาดดูถูกเลยนะ อะไรที่จะมากระทบคําสั่งสอนเนี่ยเขาจะเขาจะต่อต้านอย่างรุนแรงและนี้คือสิ่งที่มาจากคําสั่งสอนของอัลกุรอานเช่นอายะที่เรากำลังพูดอย่างที่อัลลอฮฺซุาแลฮฺได้แจ้งมนุษยชาติว่าการกําหนดเวลาเนี่ยก็คือการกําหนดปฏิทินปีนี้ด้วยระบบจันทรคติ ให้มีสิบสองเดือนและใ น, นสิบสองเดือนนั้นมีสี่เดือนที่ต้องหา้ามนี่เป็นพระบัญชาของ a l l า h سبحانه และ تعالى ยอมว่าล ل ق السماوات والأرض ทั้งที่ Allah สร้างชั้นฟ้าและเป็นดินออกแสดงว่าเรื่องนี้เก่าแก่ทั้งแต่สมัยท่านน บ, บีอา din, ดัมสิหมายถึงว่านบีอาดัมลงมาชั้นฟ้าและแผ่นดินถูกสร้างไปแล้วแสดงว่า Allah ก็ต้อง บอกกับท่านนบีอาดาม่วปีของของเจ้านี่สบเดือนนะในสิบสองเดือนนมีสีเดือนที่ต้องข้ามนะแล้วอาก็ต้องต้องบอกด้วยนะว่าชื่อเดือนต่างต่างต่าเดียเพราะในอุษันอัลลอฮฺอัลลัมอาดามัลอสม่าอกุลลาะอัลลอฮได้สอนอาดมัลอัลส์มาบรรดานามทั้งหลายคำศัพท์ทั้งหลาย เราสอนไว้แล้วที่อุลลามะบอกว่าบรรดานามแล้วก็ชื่อแล้วก็คำศัพท์ในทุกภาษาเลยในทัศนะของอุลลามะที่เขาบอกว่าภาษาทุกภาษานี่มันเป็นภาษาที่อัลลอฮฺซุลฮานุวะตะละเป็นผู้ดํารีผู้ก็ตั้งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มนุษยชาติเขาประดิษฐ์ขึ้นมาคือมันไม่ได้เป็นผลงานดัน เออไม่มีผลงานของมนุษย์แต่มีทัศนะที่บอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กํ า, าหนดภาษาเดียวที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ภาษา อ, อื่นก็แตกมาจากภาษานั้นนัน้นภาษาแม่นี่คือไนหะนนี้ก็มีความขัดาแย้อีกระดับหนึง่งแต่ที่แน่นอนนะนะว่าอัลลอฮ์สอนท่านนาบีอาลกัมทุกอย่างและในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าปีนี่มีสิบสองเดือนตั้งแต่ สร้างฟ้าและชั้นฟ้าและแผ่นดินก็แสดงว่าตอนท่านนาบีอาดัมลงมาอย่างย่งโลกอย่างแผ่นดินเนี้ยกำหนดการว่าปีมีสิองเดือนและมีสีดืที่ตรงข้ามเนี่มันมีมาก่อนท่านนาบีอาดัมแล้วก็อัลลอฮ์มาบอกบอกกับท่านนาบีอาดัมซึ่งมีบทบัญญัติหลายอย่างก็มีตั้งแต่สมัยท่านนาบีอาดัมและวก็ถูกถ่ายทอดมาบางอย่างก็ถูกยกเลิกไปตามวาระกำหนดการตามศาสนา าศาสนาบัญอยติของแต่ละาศาสนาเป็นไปได้สมัยท่านนบีอาดัมมีการอนุญาตให้พี่น้องต่างท้องไม่ใช่ต่างบรรดาเนะพราะแต่ก่อนไม่มีมารดาเดียวแต่ต่างท้องบรรดาให้แต่งงานกันได้เออพราะท่านฮาวะนีนพระอย่งท่านนบีอาดัมเนี่ยทุกท้องเนี่ยตั้งครนทุกครั้งเนี่ยก็จะเป็นแฝดผู้หญิงกับผู้ชายท้องหนึ่ง อีกท้องหนึ่งผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็จะให้ผู้ชายของท้องสองมาแต่งงานกับผู้หญิงท้องหนึ่งแล้วผู้ชายของท้องหนึ่งแต่งงานกับผู้หญิงท้องสองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าในศาสนาอิสลามหรืออเลศาสนาเอวูดีรอส ร, ราณีก็ถึงจะสองทองก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นพี่น้องกันนะไม่ได้เหมือนกันศาสนาบาเนียตบางอย่างนี่ก็ถูกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป แต่ถ้ายังเป็นยังคงดำรงสถานะเป็นศาสนาบัญญัติไม่ได้ถูกยกเลิกแต่อย่างใดอันนี้มันก็ต้องอยู่ในดวงใจของของผู้ศรัทธาทั้งหลายหนึ่งนั้นก็คือสี่เดือนที่ต้องห้ามอันนี้มีตั้งแต่สมัยท่านนบีอาดามียังท่นนบีบรรฮิ ม, นนมแล้วก็ชาวอาหรับนี่เขาได้ดำรงไว้ซึ่งหลักการศาสนานี้อย่างเคร่งครัดจนมาใน รุ่นหลังน ah, ี่ก็คือยุคก่อนท่านนบีสุลต่านละเลวซัลลัมเริมมาวิ่งเบนแล้วก็บิดเบือนคําสั่งสอนนี่ทําไมอะเราบอกแล้วว่าสิ่งใดที่ต้องห้ามนี่ด و القادة ذو الحجج محرّم นี่สามเดือนติดติดกันแล้วก็เดินระจับนี่อันนี้ระจับระวังจุมาดละคราละก็ชาบานอันนี้ห่างประเด็นมันอยู่ที่สมเดือนเนี่ย คำว่าเดืที่ต้องห้ามนี้ก็หมายถึงว่าห้ามมรรพบห้ามสุรุกในอย่างที่บอกภาพสมุรอาดับนี่เป็นเป็นสังคมเถื่อนเป็นสังคมที่ไร้กติกาไรไร้กฎมะเถื่อนเผ่าไหนแข็งแรงแข็งแรงกว่านี่ก็ยกทัพไปป้นเลยเผ่านูน้นคือตกขอนน้นนึกออกนะ จะรับยังได้ร่อนเขาไม่ได้พำนักในถิ่นหนึ่งถิ่นใดเป็นเมืองถาวรไม่เขาจะมีปสุสัสว์แล้วก็มีสัมภาระสัมภาระของเขาเนี่ยก็เป็นเต็นที่สามารถกลางได้ทุกที่เลยแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนมีฝนตกไปเลยเฮ้ยได้ยินว่าตรงนั้นมีฝนตกกัไปเลยเฮ้ยได้ยินว่ามีนู้มี มีตาน้า <c oughs> เอาไปเอเพราน้มีมีบอ่อน้ำมาไปพอน้ำหมดแล้วอ่ะบางทีนี่ก็ยูนอยู่หน้าอยู่เป็นสิบปีแล้วก็แห้งแห้งแล้วก็ยายไปอีกไปที่อื่นอยู่เร่ร่อนแบบนี้ซึ่งมันมันก็เป็นความลำบากสำหรับคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, มีความมั่นคงอะนะไม่มีความยั่งยืนแ้ถ้าพ่อเจอซอยตัน่ะ หมายถึงว่ายายไปหนู่ยายไปนี่ก็ไม่มีฝนไม่มีพ้าปัสุสัตว์อูดเป็นร้อยตัวแพะเป็นพันตัวน้ำจะให้กินก็ไม่มีนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงคนนะนะ่ะคนในเผนะ่าเนน่ะอาหารการกินก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีพืชผลอะไรก็ไม่มีกันทาอะไรเฮ้ยนุ้นนะ่ะเผ่านุ้นนะ่ะเห็นเขาเขามีเขาอยู่ เขาล้อมตาน้ำมีน้ำไหลตลอดปีเลยเขาปลูกพืชผลมีน้ำให้ประสุสัตว์กนินก็เป็นน้ำของเขาทำยังไงอก็ไล่เขาสิไล่เขาเราก็ไปหมายถึงว่าไปยึดแหล่งน้ำก็ไล่เขาอันนี้อันนี้คือแบบเมตตาธรรมที่สุดแล้วนะไ ล, ลถ่ถ้าแบบโหดนี่ก็คือปน ผลทรัพย์สินของเขาฆ่านั ก, กรบของเขาเนี่ยมัก็ฆ่านะผู้หญิงนี่ก็ยึดเป็นเฉลยหมดเด็กยึดเป็นเฉลยหมดอืมอกันแบบเนี้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายได้สําหรับสําหรับเผ่าที่ทําแบบนี้เนะี่ยเพราะเพราะทุกเผ่านี้เขาก็รู้ไงรู้มุกเนี่ยเพราะบางทีก็ต้องทําใช่ไหมแล้วก็ทุกเผ่าก็ต้องเตรียมตัว เตรียมทั้งอาวุธเตรียมนักรบคนต่อสู้อะไรเนี่เพราะฉะนั้นใครจะคิดจะไปป้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นบริบทเป็นบริบทไปใช่แล้วบริบทนี่หมายถึงว่าขาดแคนอะไรอ่ะนะไม่คิดจิตเดดดินดนไปสร้างอารยะให้มันยั่งยืนอะไรหน่อยนี่วางแพร่อะไม่ป้นทีนี้สมเดือนต้องห้ามนะเขารักษาบทบัญญัตินี่มา มาตั้งแต่ดึงดำบันนี่ว่าสามรบนี่ห้ามรบห้ามปนห้ามห้ามไปอะไรของเขานะแต่าสามเดือนนี่มันโคตรนานน่นานทำยงไงอะ่ะเผาบงางเผานี่คนบางคนนี่อยู่ในเลือดนตรงป้นตรงละเมิดคนอื่นเขาอ่าเขาก็เลยอุตตริพิธีกรรมที่ เผ่าหลายเผาเนี่ย ก, ก็จะสถาปนาค น, นคนหนึ่งคนคนนี้เนี่ยจะให้คำพูดของเขาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ลบล้างหรือกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่เิ่นสุลกานะสุลฮิจามุฮรรมมันมันนานไปทำยังไงเอามุฮัรรมเนี่ยเลื่อนซะ แทนนี่จะเป็นมุฮัรรมัมเดที่ต้องเลื่อนให้เป็นซอฟัลซะแล้วเดือนมุฮัรรัมนี้ก็สามารถปนได้เลื่อนให้มันให้เดือนที่ต้องห้ามนี่ล่าชา้าไปล่าชา้าแตอ่อีกเดือนหนึ่งจนกระทั่งทํากันยังอดเด็ดอร่อยเลยเผาไหนอ ย, ยากจะอยากจะปน้นอยากจะอะไรนี่ก็ไปหาไอ้หมอนี่เลื่อนได้หน่อยอันเนี้ยนะ ที่เขาเรียกว่าอันนัซีนัซีแปลว่าเลื่อนให้ล่าช้าอย่ในนิติศาสตร์อิสลามนี่มีดอกเบีย้ยชนิดหนึ่งก็กเรียกว่าอริบันนัซีอ่ะคล้ายๆกันคําเดียวกันใช้คําเดียวกันอาริบาดอกเบี้ยนัซีอ่ะแปลว่าอะไเลื่อเลื่อนเลื่อนผ่อนต้นด้วยการเพิ่มดอกแปลว่านัซีอ่ะ ถึงเวลาที่จะใช้นี่แต่ก่อนนู้นน่ะบริสุทธิ์นะยืมพันคืนพันอ่ามกระานี่คืนพันหนึง่งกู้ไปพันหนึ่งก็คืนพันพอถึงมกระานี่คืนไม่ไหวอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมกระาปีหน้าแต่เป็นพันห้านะอ่านี่นี่นี่เดี๋ยี่มันมาจากตรงนี้ไอ้ตอนไอ้ตอนให้กูน้นี่ใจดี ให้พันหนึง่งคืนพันหนึง่งไม่เอาล็อกดอกเบีย้ยไม่เอาเอาเด็ไม่เอ า, เอาไม่เอ า, เอาใครยืมก่อนอพอรู้ว่าเขาใช้ไม่ใช้ไม่ไหวหรอกพอถึงเวลาใช้ <c oughs> ได้ได้ได้แต่อันนี้เขานี้ต้องใช้ดอกเบีย้ยแล้วนะมาใช้ดอกเบีย้ยสมยัยหรับนี่ก็แบบหูดอัลฮะฟันมูฮะฟ์อัลฮะฟันนี่เราเจอนอกระบบนี่ บางที่สุด่เที่เคยได้ยินมาเท่าไรร้อยละเท่าไรยี่สิบนี้ธนาคารน่นะนี่ในระบบในยี่สิบร้อยละยี่นี่ที่โหที่สุดในที่ผมเคยได้ยินเนี่ยร้อยละห้าสิบผมเคยไปบรรยายที่ใต้นี่แล้วก็มีมีบางมาถมาเช็กจะไปทําฮัตเนี่ยกู้เงินกู้เงินไปทําฮัตนอกระบบ ร้ยละสามสิบได้ไหมคือไอ้กูไอ้กูเป็นดอกเบี้ยนี่เขาไม่ถามไอ้กู้นอกระบบนี่เขาไม่ถามเขาถามสมควรมากร้ยละสามสิบตรงย้อนไปคือสอนใหม่เลยนะมังกูแค่กู้ดอกเบี้ยนี่มันก็บาปใหญ่แล้วดอกเบี้ยแคบศูนศูนจุดหนึ่งเปอร์เนี่ยับ บาปใหญ่แล้วอันนี้จะกู้ดอกเบีย้ยไปทำาัตดะไปบ้านใดบานนก็ใช้ไม่ได้เอาเงินฮารอมมาไรไปไปทำไปบ้านนก็ใช้ไม่ได้อันนี้อับฮะก็เลยใช้อดวอันรมุด้อัรนีไม่ใช่ห้าสิบไม่ใช่ร้อยละห้สิบนะอะเอาันกเท่าตัวไม่ถึงว่ากู้หมื่นหนึ่งจะจ่ายสองหมือนอย่างเงีย้ยนั่นน่ะเคยมีในจาฮิเลียนแบบเนี้ โดยอ้างเหตุผลนี่ก็คือเนี่อริบบินเนี่ยเสียนี่ก็คือเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาสรุปลูกหนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้หนี้สัทีใช้อะไรใช้ดอกเหมือนกันไหมเหมือนมปัจจุบันเหมือนเลยลูกหนี้เนี त, ่ยจะกลายเป็นทาสของหนี้ตัวเองต้นเนี่ยไม่เคยใช้สัทีใช้ไม่หมดแล้วไม่ใชีไม่ใชี นอกระบบอย่างเดียวนะไอ้ในระบบเนี่ยตัวดีเลยไอย้โดาเฉพาะไอ้ไอ้กู้สงเคราะห์นี่อย่างกอยสสอนี่นักศึกษาบางคนนี่ยไม่ได้ใช้เลยต้นเนี่ยใช้แต่ดอกทำไมอ่ะจบแล้วไม่มีงานทำหรือมีงานแล้วก็มันก็ภารกิจชีวิตต้องแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยมันก็ผมไ ม, ไม่ไม่มีเหลือพอที่จะที่จะใช้ คือถ้าจะใช้ต้นอย่างเดียวตั้งแต่แรกกันนะั่นก็คงหมดมานานแล้วอะแต่ปัญหานี่มันไม่หมดนะนกเบีย้ยนี่เหมือนเหมือนแมวตัวเมียแมวตัวเมียมันก็มีลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกใช่าหพอลูกมันก็มีตัวเมียมันก็คลอดมาอีกมันก็ต้องเลี้ยงเ น, นี่ยมันเพิ่มภาระไปเรื่อยๆอ่ะ ะสดงว่านีอันนซีและก็อันนซีอนสองคำที่คล้ายๆกันที่ต้องบอกอธิบายแบบนี้เพราะเพราะในอายะนี้ก็จะมีพูดถึงเรื่องนี้เราจะได้ไม่ต้องสับสนอัลลอฮฺบิลลาะ์มิโนชุตานุรุจิอินมัณนซี ز ي ا د ة في الكفر ي ض به الذين كفروا يحلنه ع م ا ويحرمه ع ا م ا ลีว่าทิวอัตต์มะห์ حرم ัลลอฮฺฟัยฮฺลมะห์ حرم ัลลอฮฺซูยินะลําซูอั์อัมมัลิมุลลอฮฺละอิดีลฺข้าวัลกัฟิรินอินนามันนซีอุแต่จริงการเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามให้ล่าช้าไปนั้นนซีอัตนซีนี่ไงเลื่อนอันนู้นอะริบาริบาเนี่ยเป็นเป็นนามเป็นนามเพศหญิง การันติบันนสีอ่ะมันก็เลยต้งมีตัวตาตาที่เป็นเพศหญิงเนี่ยอันนี้ด้านวยากรเราไม่ต้องคิดมากแต่แค่ให้ใหดูเราจะไปได้ยินคำว่าริบันนัสีอ่ะกับอันนี้เนี่ยมันก็คือรากศัพท์เดียวกันก็คือเลื่อนเลื่อนเวลาแต่อันนู้เกี่ยวกับดอกเดียนะแต่อันนี้เกี่ยวกับเรื่องเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามอันนสัสีเป็นคําศัพท์ที่รู้กันนะ อาบเขาเรู้กันนสซีนี่คืออะไรก็คือเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามนี่แลให้ล่าชา้าซสียดตุนฟิลกูฟรีซสียดเป็นการเพิ่มฟิลกูฟรีเพิ่มอะไรเพิ่มในการปฏิเสธสัทธายิ่งขึ้นทำไมกับเขาอาับนี่เขาตั้งพาคีไปก่อน เรื่องการให้อีกภาพเดี๋ยวอัลลอฮสุภาโนวดาวเนี่ยเาบิดผิวไปแล้วไปทั้งพากีกับอัลลอฮ์มีเจวิที่บูชาสักการะอื่นจากอัลลอฮ์อันนี้เนี่ยคือการปฏิเสธศรัทธาอยู่แล้วที่เขามีอยู่และพอมาทำเรื่องนี้อีกอัลลอฮ์ก็บโมว่านี่เป็นการเพิ่มการปฏิเสธศรัทธาซึ่งอ้ยานี่มันจะตอบวลี หรือสุภาษิตที่อารับเนียเขาจะใช้กันใช้กับอะไรคนคนหนึ่งนะสูงเนาทําชั่วเยอะทําชั่วอันนู้นนี่นัเฮ้ยไม่ต้องนับหรอกแค่นี้มันก็มันก็เต็มที่แล้วโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นกาเฟ่นะถ้าเขาเป็นถ้าเขาเป็นผู้ปฏิสัทธานะสูงเนาะผู้ปฏิสัทธาผู้ปฏิสัทธา แล้วก็ทำดินาดื่มเหล้าเล่นการพนันอะอาหรับเขาก็ชอบยกตัวอย่างมาดูอาหรับที่ไม่ใช่ผู้รู้นะยุคนท่ไปชอบชอบยกสุภาษิตมาบ่เดลกุฟริดัมบุลหลังจากปฏิสิธิศรัทธานี่มันไม่มีบาปอะไรแล้วมันก็มันเละตุ่มเบ๊ไปหมดแล้วใช่หมไม่แต่อาจะร์นี่บอก็ไม่ใช่นะมันมีนิมิเพิ่ม เพิ่มการปฏิสัทธิไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ว่าปฏิสัทธิแล้วแสดงว่าไอ้เรื่องอื่นเนี่ยอัลลอฮฺไม่เอาโทษหมายถึงว่าเป็นเป็นผู้ปฏิสัทธิแต่ทําจีนาผิดประเวณีกินดอกเบี้ยเหลียญการพานัน้นไอ้บาปอื่นๆเนี่ยจะถือว่าไม่มีค่านในเมื่อเขาเป็นผู้ปฏิสัทธิเพราะเป็นบาปใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยไม่ใช่มันเป็นการเพิ่มบวกบวกด้วยแล้วเนะี่ย ในอุษุราในสุรัตเลยนะในสุรัตมุดดิศรุอัลลอฮบอกว่าชาวนรกจะถูกทำเแมืสลักกุมฟีสกรพวกเจ้ามาถูกบรรจุเป็นบรรจุสลักกุมถูกบรรจุเป็นสมาชิกชาวนรกเด้งหนมันเป็นชาวนรกเด้งหน่อกอลูกอันนี้หมายถึงผู้ปฏิสตานะกอลูกก้อตอบว่าเลมเนคุมินัลมุสลินอุมิดิเลมานเ้า เขาเอาเขานับหมดไงแสดงว่าที่ถูกลงโทษนี่เลาเอาโทษหมดเลยนะทั้งเรื่องนิรนามนี่เขาปฏิสเสธแต่เขาไม่ยอมรับในเพราะเขาปฏิสเสธตั้งแต่ต้นแล้วนักุมนัลมุสลลมเราไม่ละมาว่าแล้วนักกนุ ม, มุมิสกไม่บริจาคทานให้คนยากจนว่าคุณนานุการบูบิยยมีดีและเราปฏิเสธวันปราโลก น, นิมาดมาดมานี่ม า, ม า, ม า, ม า, มาที่หลังนะแต่เรื่องละหมาดเรื่องสการเรื่องอะไรนี่ก็นับนับด้วย อั น, นี้ถ้าเป็นบทเรียนสำหรับมุสลิมนะก็อย่าประมาทบางทีนี่ประกอบบาปอย่างหนึ่งแล้วเรามองว่าเรื่องนั้นมันเรื่องใหญ่เป็นบาปใหญ่แล้วก็ไปทาบาปพร้อมก่อนแต่มันมันเป็นบาปเล็กๆเราก็จะอ๋บาปเล็กนี่ไปมองหรือว่านมันสำคัญกว่ามันจะทำให้เราเนี่ยประมาททำบาปเล็กพร้อมบาปใหญ่ เพราะเข้าใจหรือคาดการว่าใหญ่มันก็โอ้โหนี่มันก็หนักดวงอยู่แล้วจะไปเครียดกับบาปเล็กแต่หมายอะไรไม่ต้องเครียดเช่นกินเหล้ากินเบียร์ไอเบียร์เนี่ยไม่ต้องพูดหรอกเพราะเละานีมันก็แย่อยู่แล้วอ๋อในหมายถึงว่ากินเหล้าแล้วนี่อย่างอื่นนีงก็สบายชิวๆเลยใช่ไหมไม่ใช่สําหรับอัตราอัตรานับบาปนี่ก็นับหมด ผู้ศรัทธานี่ก็จะต้องเงี่ยมเปลี่ยนอัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل ในเรื่องนี้ว่าอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ تعالى จะคำนวณนี่นักหมดดังนั้นถ้ามีโอกาสลดบาปเท่าที่ลดได้สมมุติน่ะเรากําลังทําบาปอยู่แล้วก็มีบาปพ่วงมาด้วยซึ่งมันเป็นบาปเล็กกว่าคนส่วนมากนี่มักจะมองข้ามบาปเล็กเพราะอะไรเพราะเขากำลังกังวลอยู่กับบาปใหญ่ไม่นะเพราะสะสมบาปเล็กนี่สะสมบาปเล็กนี่บางเอิญ บาปเล็กนี่มันอาจจะเยอะกว่าบาปใหญ่ดูวยซ้ำไอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราได้จากแค่คำนี้นะได้รับรู้อัลลอฮฺซุลฮานาอัลลอฮฺนับหมดเลยนะอินนัมันนะซีอูซิยะดาตูฟิลกูรเป็นการเพิ่มการเพิ่มในการปฏิเสธสไายิ่งขึ้นปฏิเสธทำไมอ่ปฏิเสธเพราะเป็นการบิดคำสังสอนบิด ไม่ทําตามนะสมมติว่าเดือนมุฮัรรอมที่ต้องห้ามแต่ไม่รู้ละฉันจะป้นก็ได้บาปป้นแต่เขาไม่ได้บิดไม่ได้บิดเดือนที่ต้องห้ามนี่ให้เปลี่ยนเป็นเดือนที่อนุมัตินึกออกไแต่ถ้าหากว่าบิดแล้วก็ป้นได้ทําบาปสองอย่าง แต่บาปที่มันร้ายแรงเนี่ยและมันไม่ได้และมันไม่ได้แพ้การปฏิสธฐานนะก็คือบิดคำสั่งสอนเนี่ย อ, อันนี้เนอลุลลามะคุณกันอลั ล, ลอิสติฮลัลอิสติฮลัลเนี่ยอะไรสิ่งที่มันฮารอมอยู่แล้วนะเราถือว่ามันฮัลาลต่างจาก สิ่งที่มันหารอมแล้วเราทำโดยรู้ว่ามันหารอมสองคนกินเหล้าเฮ้ยมึงอะไรจะเลิกสักทีหนูนกูก็รู้ว่ามันบาปมุจะทำยังไงไอ้นี่สองคนนี่กำลังได้บาปกินเหล้าหนึ่งบาปใหญ่นะไม่ๆม่ไม่ไมไมไมบาแต่ก็หมือนหนึ่งบาปนี้ก็คือนึงเพราะสงคนนี้ยอมรับว่ามันบาปเฮ้ยเม่ไรเราจะเลิกที เลิกทำไมอ้าวมันบาปไม่ใช่หร้อใครบู า, บามันบาปมันฮะล้วลจะตายบางคนบอกว่าอันนี้กาลังเมาอยู่เปล่ามันไม่เมาหรอกพอไม่ได้กินเหล้านี่ก็มีความเชื่อนี้มีนะมุสลิมคนที่อ้างตัวเป็นมุสลิมนี่มีความเชื่อบแบบนี้หรือหรือเชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดว่ามันบาปนี บาปสำหรับบางคนแต่บางคนไม่บาปอย่างเล่าเนี่ยเชื่อว่าบาปสำหรับมุสลิมแต่สำหรับคนอื่นที่ไม่มุสลิมไม่บาปอันนี้เป็นความเชื่อที่ไรแรงนะและกำลังเป็นกระแสตอนนี้กำลังกำลังเป็นเป็นเป็นแฮสเทก <laughs> อ่มาและ ก, การศเสนาสำหรับมุสลิมอยเียคนอื่นคนอื่นเขาไม่เกี่ยวจะถูกต้อง สถานะของมุสลิมในการที่จะบังคับใช้กฎหมายนี่มันก็แล้วแต่มันแล้วแต่บริบทแล้วแต่ความสามารถของแต่ละที่บังคับใช้กฎหมายอิสลามได้ไงทาไมบังคับใช้กฎหมายแต่ไม่มีอะไรที่จะบังคับให้เราบิดบิดกฎหมายว่าอ๋อแสดงว่าที่อัลลอฮ์นี่ที่อัลลอฮ์บอกว่าเล่าเนี่ยมันฮารอมสําหรับมุสลิมอย่างเดียวสาหรับคนอื่นฮาราสําหรับเขา หมายว่าความเชื่อ <groot> ว <sections> ่าหลักการศาสนาอิสลามอนุญาตให้คนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมดื่มเหล้าเนี่ยความเชื่อที่ไร้ายแรงแต่ถ้าเราเชื่อว่าอ๋อกะเขาเขาเนี่ยเชื่อว่าเหล้านี่มันฮาลาลสำหรับเขาี่ศาสนาเขาอันนี้อันนี้อันนี้ถูกอันนี้มีปัญหาหมายถึงว่าเราบอกว่าสําหรับเรานี่เหล้านี่มันฮาลาลสําหรับมุสลิมเราไม่ใช่มุสลิมแต่เนี่ยยังจะว่า ในศาสนาเขานี่ไม่ฮัลโลเนี่ยราไม่สามารถบังคับเขาได้อันนี้พูดนี่ถูกต้องพูดแบบนี้เนี่ไม่มีปัญหาแต่คําพูดที่มันคุมเคือแล้วก็สร้างความเข้าใจหรือสร้างความสับสนว่าอ๋อนี่กฎหมายอิสลามนี่ไว้เชื่อไว้ใช้ชสาหรับมุสลิลเมยียงเดียวอันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับเสียอจะต้ฟิลกูฟู เป็นการเพิ่มการในการปฏิเสธทายิ่งขึ้นอยู่ต้นหรือพิลละดีนะก็ฟรูโดยที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นยุหิลละยุหิลูเนหูงยุร์รูเนหูงมันผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นถูกทําให้หลงผิดไปเนื่องด้วยการเลื่อนเดือนต้องห้ามนั้น บีฮีนเนื่องด้วยการเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามนั้นพวกเขาได้ให้มันเป็นที่อนุมัติปีหนึ่งดูฮิลูเนหูเป็นที่อนุมัติปีหนึ่งวายูฮัร์มูเนหูงานละให้มันเป็นที่ต้องห้ามปีหนึ่งยังไงอย่างที่บอกพอทําฮัดกันเสร็จแล้วนี่นะอาจจะเข้าเดือนมุฮัรรอมแล้วบอกว่าปีนี้เดือนมุฮัรรอมนี่นะขอเลื่อน ไม่ให้เป็นเดือนที่ต้องห้ามให้เดือนที่ต้องห้ามนี่เป็นเดือนสวรรแทนและปีหน้าให้ค่อยกลับสู่สภาวะเดิมให้เดือนมูฮัรรอมนี่นเป็นที่ต้องห้ามและเขาจะพยายามรักษาอัตราจำนวนเดือนที่ต้องห้ามหมายถึงว่าเลื่อนไปเลื่อนมาแบบเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ไม่ให้ลดหรือเพิ่มอัตราจำนวนเดือนที่ต้องห้ามคือสี่เดือน เพราะฉะนเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนมาโดยไม่โดยไม่ไม่กําหนดอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะลดหรืออาจจะเพิ่มจํานวนเดือนที่ต้องห้ามไม่เขาจะรักษาไว้เหมือนเคร่งน่ะรักษาไว้สี่เดือนต้องก็ต้องสี่เดือนแต่ตําแหน่งของมันเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ให้รู้นะวามันปีหนึ่งให้เป็นที่อนุมัติว่ายูฮาร์ริมูนะวามันปีหนึ่งให้เป็นที่ต้องห้าม รลี้ยวอัติอั่วตะมะฮะร์มัลลอ์เพื่อพวกเขาจะให้พ้องกับจำนวนเดือนที่อัลลอฮ์ได้ส่งห้ามไว้จะได้พ้องกันจะได้ตรงถึงแม้ว่าเขาเลื่อนไปแล้วนะแต่มันก็ยังเท่ากับจำนวนเดิมแล้วก็ถ้าไปชดปีหน้าปีนี้ล่อยให้เป็นที่อนุมัติปีหน้าต้องห้ามนะไม่ได้นะม ต, ต้องรักษาไว้นะ แล้วก็อาจจะไปเปลี่ยนเดือนอื่นเน่เดือนระยับเป็นเงี้ยไปเลื่อนเป็นเดือนอื่นให้เดือนระยับนี่เป็นเดือนที่อนุมัติสู้รบได้และก็เลื่อนเป็นเดือนอื่นแต่ต้องอยู่ในปีนั้นนะแล้วก็ค่อยไปห้ามเดือนระยับนี่ปีถัดไปนี่คือการอธิบายของทศนะอุลมะส่วนมากเกี่ยวกับอายานี้ว่าการเลื่อนเดือน การเลื่อนเดือนเนี่ยคือเลื่อนสภาวะความต้องห้ามของเดือนไปเดือนถัดไปเลื่อนสภาวะแต่มีทัทศนะหนึ่งซึ่งผมเมื่อหลายปีในผมเคยมีความเห็นกับทศนัตนนี้กะเคยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำฮัจญของท่านนบีลสุลต่านลมตามนี้ แต่ทัศนะนี้ทัศนณนี้ปรากฏว่าเป็นทัศนะ์นที่อ่อนอ่อนหลักฐานนิดหนึน่งอะไระทัศนะนทัศนณนี้นนนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลื่อนสภาพะหรือสภาพความเป็นเดือนที่ต้องข้าอย่างเดียวคือเขาเลื่อนทั้งเดือนหมายถึงว่ามุฮัรรัม uh นี่นะมุฮัรรัม uh น, นี่จะไม่เป็นจะไม่เป็นมุฮัรรัม uh am, จะไม่เป็นเดือนนี้ เลื่อนมูฮัรรอมนี้ไปเป็นเดือนหน้าแล้วก็ให้เดือนสะฟัรนี้เป็นเดือนมูฮัรรอมไปเลยส่งผลให้ส่งผลให้เดือนถัดไปก็จะถูกเลื่อนบอกว่าถ้าจะนับสะฟัรเป็นมูฮัรรอมนี้เดือนถัดไปนี่ก็จะเป็นสะฟัรซึ่งรเบีอันดับแรกเดือนถัดไปนี่ก็จะเป็นระเงอันดับสงเป็นรบียงที่องย่างนั้นเป็นต้นและการเปลี่ยนแปลงเดือนที่ต้องทำนี่ทำให้ ปฏิทินนี่มันรวนุลามาที่มีความเห็นในศาสนาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลักฐานประกอบจากสุนนะของท่านนบีสุลลัลละฮ์วะลาอีหวะสัลลัมทีบรรทุกของบุคฮารีนะมุสลิมในปีหัจย์อัมลาดที่ท่านนบีขึ้นปราศัยยี่อาราฟะที่วันอีดวันที่สิบท่านนบีสุลลัลละฮะลวะัลลัมว่า อินนั้น الزمان قد استدار كه يأتي แทนนั้นการละเวลา م م ُหมุนเวียนกลับสู่สภาพเดิมอุลามาที่เห็นด้วยในทัศนะนี้เนี่ยขาบอกว่านี่ไงท่านแนวว่ากำหนดการของเดือนเนี่ยมันหมุนเวียนสู่สภาพเดิมยังไงเพราะอัรลอนี่เขาเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยจนเดือนเนี่ยมันไม่เข้าที่ เดือนรอมฎอนก็มาเสีรอมฎอนเดืนเอนฮัดก็มาเสีฮัดแล้วก็บอกว่านี่คือเหตุผลว่าฮัดเนี่ยถูกกําหนดให้ทําเป็นวาจิบนะันตั้งแต่ปีที่สองพร้อมกับเดือนรอมฎอนแต่นบีไปทำฮัดในปีที่สิบจะดงว่าเลื่อนเลื่อนไปแปดปีทําไมอ่ะบอกว่าเหตุผลเพราะเดือนสุลฮิญจาเนี่ยมันยังไม่ลงตัว เนื่องจากอาหรบนี่เขาบิดกันไปบิดกันมานี่จนเดือนนี่มันลุดจากคันลองของมันแล้วนี่มันไม่ได้ตรงตัวแล้วแต่เพรา ะ, ระถึงปีที่สิบเนี่ยนบี่บอกว่าการเล่าเวลากาหนดการนี่มันหมุนเวียนเข้าที่แล้วนบีก็เลยทำพลาดปีนั้นนะหนี่ศาสะนะที่สองนะแต่อุลามาส่วนมากก็ไม่เห็นด้วยแล้วเขาอ้างหลักฐานหนึ่งผมก็เลยเอาหลักฐานนี่มันมันค่อนข้างชัด เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเดือนเอ่อปีที่เก้าเนี่ยที่ท่นานนะบีไม่ได้ทำฮัดเพราะปีที่8นดอะบีก็ไม่ได้ทำฮัดแปดปีที่ชิดมาก้ก็ไม่ได้ทำฮัดปีที่9ก้าท่นานอะบีก็ไม่ได้ทำฮัดแต่ใน ป, 10, ปีที่สิบปีที่เก้าเี่ยท่านส่งอบูบกักเป็นอามีรุลฮัดเป็นผู้นำของฮัดและสั่งให้ ดังอาวุธกรเดาอันตามที่เราเคยอธิบายตอนต้นของสุรตะบะให้อาวบักรเดาอันช่วงแรกๆของสุรตะบะซึ่งมีอายาหนึ่งที่อัลลอ์ได้กล่าวถึงเดือนสุลฮิจญาว่าอาดานุมินัลลอฮิวะรัสูลิเป็นการประกาศจากอัลลอฮ์และรัสูลอีลัยนาสย์วมัลฮัจล์อัคบรียังมารุษย์ยะชัด ยาวมาล حج เลยวันนั้นฮ aji อักรมรคือวันที่สิบซึ่งบุรีรอนนเอาไปดมร้อนรลอนี่ไปอ่านในปีที่เกซึ่งนบีสั่งให้อ่านก็แสดงว่าการชี้ว่าวันนั้นน่ะเป็นวันฮ a j นี่ก็แสดงว่าตรงตรงกับเดือนอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นการสั่งจากอัลลอฮฺละรัสูลให้อ่านอายานี้ในปีที่เก้า แต่ถ้กว่าทศ้กว่าออปีก้านี่มันยังพึ่งสุลกาดามันยังไม่ลงตัวนบีต้องรออีกปีหนึ่งมันจะได้เลื่อนแล้วกับสุลฮิจญะนี่มันจะได้ลงลงตัวโอ้โถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นที่เอาว่าไปทำฮัเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่สุลฮิจญะแล้วก็ไปอ่านอายะที่อัลลอฮฺบอกนี่ยาวมะัญนวันัญ์อับร์นวันของุลฮิจญะนี่ดงอันนี้คือหลักฐานชัดตัว การเลื่อนความต้องห้ามของของเดือนเนี่ยมันไม่ได้เลื่อนทั้งเดือนนะคือเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สลับเดือนนไม่ได้สลับเดือนให้โมฮัรรัมเนี่ยไปแทนซอฟฟ์เลยเนี่ยไม่ใช่แต่เขาเลื่อนความต้องห้ามโมฮัรรัมต้องห้ามใช่ไหมให้โมฮัรรัมนี่เหมือนเดิมนี่แหละแต่ให้ความต้องห้ามนี่เลื่อนไปเป็นเดือนซอฟฟ์ไม่ต้องเรียกว่าโมฮัรรัมเนเรียกว่าซอฟฟ์นี่แหละแต่ให้มันเป็น ที่ต้องห้ามแทนมูฮัรรอมแต่แบบนี้เนี่ยเวลามันก็อยู่กับตัวอา้าวแล้วที่ท่านน บ, บีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเล่าว่าอินนั้นจำานกาะกับิสต์ดาร์กาอีติการลาวลาเลกะกำหนดการนี่มันหมุนเวียนตามสภาพของมันแล้วแล้วก็มันลงตัวแล้วนี่คืออะไรก็ลงตัวแล้วนี่หมายถึงว่า <c oughs> เดือนที่ต้องห้ามที่เขาเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยไม่มีเลื่อนแล้ว ทุกเดือนนี่มันก็ตรงไปเลยมูฮัตรัมนี่ก็คือต้องห้ามแล้วเหมือนเดิมสุลหลัยะก็เหมือนเดิมสุลกาด้านี่ก็เหมือนเดิมราจำนี่ก็เหมือนเดิ ม, ม, ดมซึ่งก่อนที่ท่านนาบีสุลต่าละหัอะเลฮฺวะสัลลัมจะพิชิตมักกาเนี่ยท่านนาบียังไม่มีอำนาจครอบครองบริหารข้าวสมุทรระดับทั้งหมดต้องเข้าใจนะว่าก่อนที่จะพิชิตมักกาเนี่ยนบี ปกครองเฉพาะเมืองมาดินามาดีนาแล้วก็ตำบลใกล้เคียนนี้เดียวนะครับสมุทรแล้วที่เหลือเนี่ยอาหรับเขายังลังเลีข้าบสมุนอาหรับทั้งหมดเนี่ยใจนี่อยู่กับนบีแต่สมองนี่สนับสนุนกุเรชนี่เพราะกูรชนี่กูรชนี่เป็นเป็นเจ้าสัวคุมทุกอย่างคุมทุกอย่างก็คุมมักกะเนี่ มักกะนีคือมักกะนี่เป็นเมืองหลวงแห่งศาสนาเมืองหลวงแห่งเศรษฐกิจเมืองหลวงแห่งจริยธรรมการศึกษาการศึกษาของเขานี่จะนับใครเป็นนักกวีจะนับใครเป็นเป็นคนที่มีความสามารถด้านภาษาเนี่ก็ต้องไปแข่งกันที่มักกะนทุกอย่างนี่อยู่ที่มักกะพอพิชิตมักกะแล้วนี่แค่นั้นแหละอาหรับทั่วคาบส ม, มุทรอาหรับนี่เขาก็ตัดสินใจแล้ะ จะมาให้สตยาบันกับท่านนาบีเอาก่อนหน้านั้นก่อนนั้นยังนนเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมสิ่งที่ต้องห้ามรวมถึงเรื่องการเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยนะเขาก็ยังยังทํากันอยู่นบีพอปีที่สิบเนี่ยนบีก็บอกว่าอินนัซมะนักอธิสตเดอรกัยอธทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเข้าล็กอกมันเข้าล็อกมันเข้าที่แล้วเดือนที่ต้องห้ามนี่ก็เหมือนเดิมแล้ว ไม่มีใครจะบังอาจมาเปลี่ยนกาหนดการของเราสุภาเนวดาะาอย่างเด็ดขาดนะนี่คือความหมายแต่ดูนะถึงแม้ว่าเขาเปลี่ยนเดือนที่ต้องห้ามานะซึ่งมันเป็นเพิ่มการปฏิสธตเป็นการเพิ่มในการปฏิสัานะแต่เจตนาของคนที่เพิ่มในการปฏิสัทย์เจตนาเ ข, ขาลวอดมฮรมัลลอฮเขาก็ยังรักษา อัตราเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยให้มันยังสีนะหมายถึงเออเขาก็ยังเพ่งนะยังยังนี่มีบทเรียนสาคัญที่ผมได้ได้เห็นว่ามันมีในในสันดานของมนุษย์ของของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมนุษย์บางทีเนี่ยเราทำความผิดบางอย่างเนียแต่เราให้เหตุผลที่มีความชอบจะได้ไปกก ผิดที่เราทำอยู่เหมือนนั้นเนี่ยเลื่อนเดือนมีมันบาปอยู่แล้วนะนะบอกว่าเออแต่ก็นี่นะี่ยทให้มันสี่เดือนเหมือนเดิมมาละนี่ขุดหาเหตุผลว่าเออกูก็ยังแข้งอยู่นะละหมาดผู้ชายนี่ละหมาดใส่ผ้าไหมทศนาอุลมาส่วนมากนี่บอกว่าละหมาดนี่ซ้อแต่ก็ทําบาปละหมาดซอ แล้ก็ทำบาปทศนาอิมาอามันนี่บอกว่าละหมาดเนไม่ซ้อทำไมอเพราะนีนขนาดที่สวมผ้าไหมนี่กําลังทําบาปอยูแสดงว่าทุกอารียาบทเนี่ยมันเป็นการทําบาปไม่ได้เป็นการละหมาดแสดงว่าละหมาดเนไม่ซออนี่เอาสองทัศนะเนี่ไปบอกเข้าเฮ้ยใส่ผ้าใส่ผ้าไหมใส่สวมแหวนทองอะไรพวกนี้นี่มันบาปนะเออก็ดีกว่าไม่ละหมาดเลยไง คิดจะกบอจะกบบาป ท, ที่ตัวเองรู้ว่ามันบาปนะแต่ไปอ้างเหตุผลที่ไม่มีใครขัดแย้งอะนะแต่ไปอ้างเหตุผลเพื่อจะได้ไปไ ป, ไปให้เหตุผลในการทำบาป ม, มันไม่คู้มันไม่มันไม่สมควรมันหมายถึงมันไม่สมควรที่จะอ้างเหตุผลของสิ่งสิ่งที่มันถูกต้องอยู่แล้วนี่เพราะมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่อยู่แล้ว ฟายุผลุ่มห้ารม์อัมีเช่นั้นคือเขาปักใจตัวเองนะมีฉะนั้นถ้าเขาไม่ทําแบบนั้นนะถ้าเขาไม่รักษาจํานวนอัตราจํานวนให้มันสี่นะพวกเขาก็จะทําให้เป็นที่อนุมัติสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นที่ต้องห้ามไปถ้าเขาไม่ได้ทําแบบนี้รักษาอัตรานี่นะโอ้ยถ้างั้นนะสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดว่าเป็นที่ต้องห้ามนะ มันก็จะไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอะมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องอันตรายอย่างเดียวเขามองว่าสีเดือนเนี่ยก็ต้องสี่เดือนจะเป็นเดือนไหนนี่อันนี้อีกประเด็นนึงเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่กําหนดการหัวนอนนี่แต่เขารักษาจํานวนเขาก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ต้องห้ามหัวนอนนี่คือการเปลี่ยนแปลงจํานวนอย่าให้มันลดเยอย่าให้มันเพิ่มแล้วกัซึ่งกําหนดความ กำหนดสิ่งที่มันควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยตามอำเภอใจข้อใจนีอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกละมิดอีกอีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์จึงบอกว่ารุ่ยนะละหุมสู้อามาลิฮ์นี่มันเป็นมันเป็นหลุมอําพรางอีกหลุมหนึ่งที่เขาที่เขาต้องตกในหลุมนั้นนั้นก็คือรุ่ยนะละหุมสู้อามาลิฮ โดยที่ความชั่วแห่งบรรดาการงานของพวกเขาได้ถูกประดับประดาให้สวยงามแก่พวกเขาทำบาปไปแล้วแล้วก็ยังหาเหตุผลมากบมกบบาปนะแล้วก็ให้ความชอบของตัวเองว่าตัวเองี่กำลังปกป้องรักษารักษาหลักการอยู่โอ้ที่เปลี่ยนแปลงนี่คือปกป้องใช่ไหมเออเรื่องนี้นมี มีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราจึงต้องระวังพวกเรานี่อย่าให้อย่าให้มีกระมลลสันดานแบบนี้พอทำบาปทาความผิดนี่ก็หาความชอบที่เอามาแอบอ้างเพื่อไม่ให้ถูกตำหนิในความผิดที่เราได้ทำไปเช่น พ่อแม่ยุกมากแล้วเอามาเลี้ยงเมียบอกก็ไม่ไหวน้าะันเลี้ยงลูกคนเดียวก็แย่แล้วนะทํายังไงอ่ะบ้านชราอมีคนก็บอกเฮ้ยทําได้ไงอย่าส่งพ่อแม่แกไปอยู่บ้านคนชลาถ้าผมเนี่ยเลี้ยงคนเดียวไม่ไหวเนี่ยผมเนี่ยทําอย่างนี้เขาจะได้อยู่ในเสื่อภาพ ที่มีคนดูแลเขาอ่องครุ่ทวนส่วนมากก็จะพูดกันอย่างนี้ชคือเอาละคือบางทีเนี่ยมันก็สุดวิสัยจริงๆงแต่บางทีแต่ไม่ใช่บางทีส่วนมากเนี่ยไม่ขี้เกียจโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่อะภาระอะไรต่างๆที่มันไม่เป็นเรื่องอะนะหาพ่อแม่ไปหามหมอหน่อยดิอ๋อพอดีลูกลูกจะไปฝึก จะไปฝึกในสมรสรที่ต้องพาเขาไปมันมันมีให้เห็นอะไรแบบนี้ในสังคมอ่ะเฮ้พาพาโตไปไปหาหมอหน่อยดิพอ ด, ดีพอดีพรรยาจะไปสมเสริมสวยนี่ต้องไปส่งเขาอะไรประมาณนี้ใส่ความชอบให้ตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยลึกๆนึ่รู้รู้ว่ามันว่นวนวนม่เหตุผลที่มั น, มนตัวเองก็รับไม่ได้หรอก รับไม่ได้หรมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคนที่เอาพ่อแม่เขานี่มาเลี้ยงที่บ้านนะภรรยาก็ไม่ยอมก็เลยสร้างห้องอยู่นอกบ้านนะห้องเล็กๆอยู่นอกบ้านนะเรื่องเกิดขึ้นจริงแล้วก็เมียเขาก็ทํากับข้าวแล้วก็สุม่มเหมืเลี้ยงแมวนอกบ้านอะไรเงี้ยทากับข้าว แล้วก็กินข้าวเนี่ยเขาก็ไม่ไม่กินด้วยกันไม่ได้เห็นพ่อแม่หรือไม่ไดีคือไม่ได้พบปะไม่ได้อะไรไม่ได้อยู่ด้วยกันนะนวันดีดีพ่อแม่นี่ยก็เห็นลูกก็เลิ่งวาดก็เริงวาดอะไรลูกวาดบ้านอันนี้ห้องใครอันนี้ห้องหนูแล้วก็มีห้องอยู่ข้างนอกอ่ะนอกบ้านนะแล้วนี่ห้องใครนี่น้องพ่อแม่นี่แหละเฮ้ยทำไมยู่ข้างนอกอ่ะก็เหมือนที่เอาเอาโต๊กับกีนี่ยไปอยู่ข้างนอก แค่ไห น, นอะไรที่เราทำไว้กับมันพบบรรุเนียมันก็มันก็ไปอยู่กับลูกหลานนี่แหละแในสังคมของเรานี่เนื่องเนื่องจากเงื่อนไขต่างๆของของวิถีชีวิตวิถีชีวิตที่มันมันเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มความลำบากอะไรหลายอย่าง สิ่งที่เราจะเสียสละก่อนอื่นนี่ก็คือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยใช้ให้ให้ทำอย่างเคร่งครันสังเกตได้เลยสิ่งแรกนี่ที่เราจะสละก่อนเนี่ยคนที่งานเยอะทิ่งที่ทิ้งงานแรกเลยอะไรละมาศมาโนมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดเลยถัดมานี่สิทธิของอ l l a h นี่หนึ่งสองสิทธิของพ่อแม่นะก็จะเป็นสิ่งทัดมาที่จะถูก ทุกสละไป่ังนี้พวกนี้เราต้องต้องทบทวนตัวเองให้ดีนะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะเรื่องเรื่องการดูแลพ่อแม่คนคนสำคัญในชีวิตของเรานิแต่ทีแต่ตัวอย่างใ น, ในเรื่องอื่นนะที่ที่ที่เราไม่ควรที่จะาหาความชอบที่จะมากบ ความบกพร่องที่จะมาปิดบังความบกพร่องอันนี้มันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงอันตรายมากพอที่สุดเนี่ยเราจะมองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะมันไม่ยากที่จะหาความชอบที่จะอ้างเป็นเหตุผลในบาปที่เราทําในความผิดที่เราทํานี่สุดท้ายนี่มันก็มันก็หลุดได้หมดถ้าเราคิดว่าแบบนี้เนี่ยมันใช้ได้นะ่ะเนี่ยเหมือนที่เขาซุยีน่าละหุมสู้อุอาลิ มันถูกประดับประดาให้สวยงามไอ้ที่เพิ่มในการปฏิสัทธาเนี่ยถูกประดับประดาว่านี่แหละกําลังปกป้องสิ่งที่เอามากําหนดว่าต้องหา้ามนี่นะกำลังปกป้องโอ้นี่มันคนละเรื่องเลยเนเหมือนผมตอนตอนทำงานอยู่ที่ทํางานศาสนาที่ประเทศอีประเทศทอีนี่ก็เป็นประเทศที่ทางการเนี่ยเขาไม่ค่อยฮัปี้กับ uh, การเผยแพร่ศาสนา โดยเฉพาะคนที่เคร่งคัดเรื่องศาสนาเนี่ยเขาก็จะรู้เลยไอ้พวกที่ชอบละหมาดซุบบูพวกที่ชอบอ่านคุดอานทุกที่นไหนอยู่ไหนนีน่นก็เปิดคุดอ่านอยู่พวกที่ไม่ไม่ชอบแต่งตัวแบบแฟชั่นชอบไว้เขาเนี่ยเนี่ยพวกนี้ต้องระวังต้งต้อ ง, ต, องต้องจับต้องเป็นพิเศษมีกลุ่มทํางานศาสนานอีกกลุ่มหนึ่งเขาเลยบอกว่าถ้าทางการเขาสร้างอุปสรรคแบบนี้เราก็ เราก็ปลดเงื่อนไขาบางอย่างที่มันอาจจะสร้างความลําบากเช่นถ้าเราไปไหนที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นเขาแล้จะสะดุดยอย่างเนี้ทำยังไงดีควรเขาเลยควรเขาควคนทั่วไป ท, ไทําไมอ่ะพร่อตาหากว่าเราไว้เขาแล้วก็ไปเชิญชวนคนไปละหมาดดิเขาจะไม่ชอบตาหากว่ามุสลิมานี่คุมหิ jab แล้วก็ไปเชิญชวนุมุสลิมาที่ไม่คุมหิ j า b เนี่ยให้คุมหิ jab ดิเราทํายังไงอ่ะ ใช้มุสลิมานีคุมิยาแฟชั่นก็ได้แบบเพเวลาจะไปคุยกับคนนี่ไม่คุมฮิยาเลยเนี่ยถ้าเราคุมิยาหรือปิดหน้าอะไรเลยเนี่ยมันเป็นกมแพงอ่ะมันก็เลยมีความคิดใงนจริงของคนทำงานศาสนาบางกลุ่มอ่ะนะมองว่าและการศาสนาภายนอกบางประการถ้ามันเป็นอุปสรรคในการทำงานศาสนานี่ก็ตัดไปซะเท่ากับเขา เข้าใจสองอย่างที่มันคัดขึน้นหนึ่งเข้าใจว่าคำสั่งสอนของศาสนาเนี่ยเป็นอุปสรรคในการทำงานศาสนาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไรแรงอัลลอจะไม่ให้เราทำอะไรนอกจากว่าสิ่งเหล่านั้นเน่ะต้องมีประโยชน์และถ้าเราเปิดเหตุผลนี้นะมันไม่จบเลยนะขนาดที่คนบางคนบอกว่า ฉันจะได้ดาว่ากลุ่มที่มันแย่มากเนี่ยฉันต้องเข้าสังคมเข้าอะไรเข้ายังไงอะ่ะเขาต้องสูบบุหรี่เหมือนเขากินเหล้าเหมือนเข้าเที่ยวกลางคืนเหมือนเขาเราก็จะได้เข้ า, ขากลุ่มบ้าป่าพอสุดท้ายนี่เราจะไปดาว่าเข้าเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันนะถูกดาว่าไป คือแดนนี่จะไปแดนว่าคนนี่ไม่ละหมาดที่ได้ละหมาดเนี่ยเขาเอาคนที่ละหมาดอยู่แล้วเนี่ยมากลายเป็นคนที่ไม่ละหมาดเลยลเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงตอนที่ผมผมเคยคุมงานศาสนาที่มหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ก็จะเป็นสิ่งท้าทายมากสําหรับการทํางานศาสนาในกลุ่มเยาวชนมหาวิทยาลัยนี่ก็บนแง่หญิงก็ชา ย, ยมันสรรพัวหมด มีเด็กคนหนึ่งก็มาปรึกษาบอกคือเราจะมีกฎเกณฑ์ว่าผู้ชายเนี่ยไม่ต้องไปได้าวา่าผู้หญิงผู้ชายไม่ได้าวา่าผู้ชายซะผู้หญิงก็ดี๋ยวก็มีเดีก็มีเจ้าหน้าที่มีมีกลุ่มผู้หญิงมุสลิม่าที่เขาจะไปได้าวา่ามันจะได้ไม่มีผิดนะแต่บางทีเนี่ยเนื่องจากมหาอะไรเนะี่ยรู้กันใช่มว่ากลุ่มทํางานกลุ่มอะไรมันก็ทําหมอาจจะมีโอกาสที่ผู้ชายเนี่ก็ต้องอยู่กับกลุ่มผู้หญิงก็มีเด็กคนหนึ่งบอกว่า ผมขอเนีญาตไดว่าผู้หญิงคนนี้พอดีอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เออหัวดีนะเขาอาจะเป็นคนที่แล้วจะได้ว่ายัางไงเขาก็จะก็จะคือเขาเป็นยังไงอ่ะเขาเขาควมีแย่างเขายังไม่คุมเขาละหมาดอย่ังไม่ละหมาดเลื่องไโหคนนี้เนี่ยสวยที่สุดในในเบียนเกตละ ยานะ่ยานะักมันด้วยนะเขาก็ไม่เชื่อก็ไปดาว่าด่าว่าก็ยังยังผมปรึกษาหน่อยท่านนี้กล้ากับเขานี่มันจะดีไหมเขาจะได้เปลี่ยนแปลงนะอย่แม้มันมาเป็นขั้นตอนน่ะมันเป็นขั้นตอนน่ะบก็ผมกลัวเนี่ยมึงจะไปด่าว่ามันในวันนี้มึงก็ด่าว่ามึงกรเป็นมันดาว่ามึงเรามึงจบเลยแทนที่จะเพิ่มคนมาล้มานี่นั่นก็เพิ่ม เพิ่ผลไม่ละหมาดเป็นแบบนี้เข้าใจว่าเออต้องเข้าสังคมก็ยอมยอมลดกติกายอมอสลักหลักการอะไรบางอย่างนี่มผมว่าในการดาว่าบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ถึงขั้นตอนนั้นนะเพราะการต่อต้านดาว่าเดี๋ยวแซมบ้านเราเนี่ยไม่มีแต่อ้เงื่อนไขนั้นแนหะในการทำงานไดาว่าเนี่ยมันอยู่ในการเมือง เงื่อนไขในการเมืองเงน้ย น, นะไขๆการทํ า, า, า, า, า ง, งานดาว่าในประเทศอารับบ้ า, านเะราทําไมอ่ะคือจะได้ร่วมกลุ่มนี้คุณก็ต้องยอมจะได้เข้าในคณะรัฐมนตรีก็ต้องยอมในนโยบายจะได้เซ็นเอ็มนี่ก็ต้องยอมโน่ยอมนี่เสียสลักเสียสละทีละนิดทีละหน่อยทีละอยา่างว่าอะไรอ่ะที่ทําให้ นักการเมืองในพักบางพัก ท, ที่ที่สนับสนุนกัญชาเสรีเนี่ยเป็นกระบอกเสียงนักการมุสลิ ม, มะนะเป็นกระบอกเสียงให้เขาเลยปกป้องสุดชีวิตเลยอะไรที่ทั้งทั้งที่มันคือมองเหตุผลอนะ่ะมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยเนี่ยในในหมางในด้านสังคมในด้าน ประเทศชาตินะเสียใจกันชาอุ้นไม่ไม่ได้ไฟเรื่องเมกะโปรเจกต์ที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮะเป็นประเทศที่จะเริญด้านเทคโนโลยีก้าวหน้าด้านเกษตรมันไม่ใช่อ่ะก้าวหน้าด้านกัญชาภูมิใจอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆริงเดี๋ยวคำตอบว่าเออกันกูภูมิใจ กุ้มใจอ่ะอ๋อปาะเทไทยนี่กัญชาเสรีเออผมไปดูคลิปคนไทยที่อยู่อเมริกาอนะ่ะอเมริกานอ้กัญชานี่ก็เขาปลดล็อกบางอย่างนะแต่ไม่ได้ปดหมดคนไทยดิอยู่อเมริกาเนี่ยรู้ว่าที่นี่เนี่ยปดกัญชาแล้วอ่ะนะมาลงทุนที่นี่เนี่ยเปิดร้านกัญชา และก็ชวนคนอเมริกาเนี่ยเดินทางมาจากอเมริกานี่จะได้มาเสพกัญชาที่เมืองไทยเพราะอะไรเขาบอกวโอ้โหดูกัญชาอย่างสบายอกสบายใจเลยไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหม า, อายอะไรเลยปดแล้วไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วนี่เริ่มเห็นพิรุธแล้วตอนแรกบอกว่าที่เซนโอนูนี่ก็บอกว่าจะให้กัญชาเนี่ยมาเป็ น, นายาเสพติด จะเริเห็นพิรุธอะไรไม่ปกติแล้วร้านที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายูต้องมาคุยกันต้องมามันยังมีคุยอีกนะยังมีคุยอีกยังมีคุยอีกนาคุยอีกนานก็จะสรุปก็จะสรุปนะนี่ขนาดกฎหมายที่เป็นมรดกน้ําไม่ได้เป็นของตัวเองนะกฎหมายว่าเราที่ก็ต้องที่ก็ต้องมาแก้แล้วก็ แกหมดไม่ได้เนี่ยก็ต้องคุยต้องเจรจากับคนที่เขาทำถูกต้องแล้วตามกฎหมายก่อนหน้านี้แล้วก็จะมาเปลี่ยนกฎหมายจะไปห้ามเขาไม่ได้คนลงทุนใช่ไบางร้านนี่เปิดสุขุมพิธนี่ผมมั่วลงทุนเนี่ยเป็นสิบสิบล้านน่ะไม่ธรรมดานั้นทำร้านดูดกัญชานี่ผมแค่ว่าวะด้านนอกโอ้โหต้องโซฟาเก้าอี้นี่ของยรูเลยนะยังรู้เลยอะ ผมไปแถวแถวน า, นานาเนี่ยเป็นซอยที่มีอาหรับเยอะใช่ปะป้ายนีนเป็นภาษาแับนะแต่เขาไม่เขียนกัญชานะก็มีใบกัญชาเนี่ยแล้วก็เขียนอ่าแชบอาชแอบแปลว่าพืชพืชเลยเลยก็แก่นึกเลยว่นี่ประเทศอาหรับนี่เขามุกนี้เนี่ยเขร้านขายเหล้านี่เกือนเลยนะแต่เขาไม่เขียนร้านขายเหล้าเขาไม่เขียน มันคือในความสำนึกของมุสลิมประเทศเล่าว่าคอมมิเนี่มัชรูบาูฮยเครื่องดื่มแห่งวิญญาณเล่าอะไรเนี่ยอะไรทำานองเนี่ยว่าบางคนเขาเขาถามว่าไอ้บรากูเนี่ยบรากูนี่ใครตั้งชื่อไม่รู้ดิมาจากบราก้าอะไรหรือเปล่า ก็คือไม่อยากจะเรียกอะไรที่มันแสลงเนี่ยอะไรที่มันเจ็บชัยเนี่ยเรียกอะไรที่มันดูซอฟต์ๆหน่อยมันก็ทานองเดียวกับเรื่องนี้แหละก็คือเอาเหตุผลมาปลอบใจว่าอ๋อที่ตัวเองที่ตัวเองกำลังดูดเนี่ยมันไม่ใช่กัญชามันไม่ใช่สิ่งเสพติดเออมันอะไรเี่ยพืชมันเป็นพืช และเนี่ยปลอบใจปลอบใจตัวเองนะนะเช่นเดียวกันคนที่เขาจะมาปลอบใจเมื่อเมื่อไอสิ่งเสพติดนี่มันปดมันปดจากกฎหมายสิ่งเสพติดแล้วนี่นะเขาบอก็่มันถูกกฎหมายแล้วไนะแต่สําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยรู้ดีนะรู้แก่ใจนะว่าเหตุผลนี้มันก็มันก็ไม่สามารถให้ทางออกได้ว่าที่ตัวเองทํานี่วันเกียร์มานี่อัลลอฮฺจะไม่สอบสวนอัลลอฮฺจะไม่เอาโทษมันเป็นไปไม่ได้ หลายคนนะครับตอนวัยหนุ่มนี่ก็ไฟแรงทําบาปอะไรนี่ไม่สนใจเลยใชรู้กระใจว่ามันบาปแต่ไม่สนใจนะเพราะตอนนั้นแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มสํานึกแล้วเริ่มเรียนรู้มากขึ้นแล้วนี่ก็เริ่มแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณของความสิ้นสุดของความสําราญความสาราญตอนตอนเราวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยมองไม่เห็นหรอก ที่อยากจะเสพความสุขอย่างเดียวแล้วก็ไม่คิดว่ามันมีวันสิ้นสุดของความสุขกตว่าไม่คิดไงตอนวัยรุ่นนะไม่คิดหรอกเหมือนที่เล่นเกมแล้วก็ไม่อยากจะจบ่ยดูบอลนะไม่อยากจะจบเนี่ยดูทั้งคืนเล่นทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็ก็ไม่เบื่อแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเราจะรู้ความสุขมันมันไม่ันไม่ถาวรมันไม่ยั่นยืนหรอก พามานั่งคิดแล้วเนี่ยเหตุผลต่างๆที่เราเคยให้กันตัวเองนี่มันมันไม่เป็นประโยชน์ทั้งนี้เราสุภาณวตาแล้วก็เลยบอกว่าอัลลอฮยดิลกอัลกาฟิรินและอัลลอฮนั้นจะไม่ทรงนำทางคือไม่ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะจุดจุดเริ่มต้นของเขาเนี่คือการปฏิเสธศรัทธานี่ที่ทำให้ที่ทำให้ใจบอดตั้งแต่แรกเลยมองไม่เห็นเลย อะไรถูกอะไรเป็นี่มันมองไม่เห็นเลยนั้นสิ่งสิ่งแรกที่อัลล์ได้ขอกับบรรดาผู้สัตทานีว่าอินนามะ أعيبكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ให้คุณอ่านอัลลอฮ์เรียกร้องเชิญชวนผู้ไปสัตทานีบอกว่าขอเรื่องเดียวให้มาคิดพิจารณาคนเดียวหรือ เป็นกลุ่มทีละคนหรือมาคิดเป็นกลุ่มก็ได้ทีละคนหรือทีละสองก็ได้มาแนวฟลอริดแต่การที่มาพิจารณาตัวเองมามามาไตรตรองเนี่ยเราต้องสถาบันต้องแสวงห า, าสถาบันอย่างเดียวนะอย่าให้มีความคิดความเชื่ออะไรที่แฝงมามาก่อกวนวาการไตร่ตรองการพิจารณาอันนี้ขความเชื่อดเดิม ความคิดเดิมๆนี่มันก็จะมันนดีที่สุดนี่สำหรับสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะต้องมีเวลาทุกช่วงๆนี่ทุกวันทุกสัปดาห์เนี่ยเราต้องมีเวลาเนะนั่งทบทวนทวนนนั่งคิดนะอะไรที่เราทำมาเราที่ไม่ทำแล้วก็ตัดออกไปเลยนะอิทธิพลของความเชื่อเชื่ออาจารย์คนนี้เชื่อเชเนี่ยชตัดไปก่อนแล้วก็เอา เอาที่ตั้งของเรานี่คือคำสั่งสอนให้เป็นที่ตั้งและดูว่าเรานี่ตามคำสั่งสอนมากน้อยแค่ไหนบางทีนี่เจอพบว่าสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของอัลลอ์แต่ทำตามคำสั่งสอนของมนุษย์มากกว่าเราทำนี่เพราะถ่ายทอดความเข้าใจของคนไม่ได้ถ่ายทอดตัวตั ว, ตวบท ที่เรารู้ว่ามันเป็นคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเรานะครับขอของฝาไปเพียงแค่นี้นะครับสอฮอลฮะัมดวะาลีซาีอูสััมสลมะุมรห์ลลอฮที่น้องอีากาถามไหมในเรื่ององห้ามการทความผิดบาปเนี่ยมันเป็นมันเป็นบาปที่หนักทีนี้ถ้าการทำความผิดมีอุลามาบางท่านนี่ก็ แล้วาก็บอกก็บอกเช่นเช่นนั้นนะครับว่าเช่นที่บาปในเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยมันจะถูกถูกคิดหนักความดีเช่นเดียวกันก็จะถูกคิดมากกว่ามากกว่าเดิมทั้งนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยหมายถึงว่าบาปในเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยจะถูกคิดจะถูกคิดหนักมันก็ไม่มีตัวบทหลอกการชัดเจนนะแต่ จากการตีความในองค์ประกอบหลายอย่างอันนี้ที่อลุลามะอันนี้อันนี้เราต้องต้องต้องบอกตรงไปตรงมาการคิดบาปว่าเดือนที่ต้องห้ามหรือเดือนที่สําคัญอย่างเดือนรอมฎอนนี่ทําทบาปในเดือนรอมฎอนนี่มันจะบาปมากกว่าเดือนอื่นไหมไม่มีไม่มีตัวบทบอกอย่างนั้นแต่องค์ประกอบหลายอย่างเช่น ทำบาปในมัสยิดฮารอมเพียงประสงค์ประสงค์ทําบาปนะก็เป็นบาปแหละนี้มีในกุรานว่ไม่ยูริดซีฮิบอิลฮะดบิดูลมินุดกูมินอาดะบินะลิดายที่ประสงค์อธรรมหรือละเมืดละการศาสนาในแผ่นดินฮารอมเนี่ยเราจะให้เขาลิมลิมการลงโทษเยี่ยมเิ็ย์แสบนี่แค่ประสงค์นะ เอาแล้วก็ทำละ่ะเอซึ่งเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นภาร ก, กิจที่หนักหน่วงมากกว่าอากาศร้อนของมะ ก, กะที่ไปทำอุโมงรอบไปดัดแล้วก็ทนความร้อนทนอะไรอันนี้เนี่ยยิ่งกว่าเืาอยู่กันเป็นเดือนอย่างเงี้ยนะทำไมบาาไก้ทำไมบาะะไมบาไกะ้ คิดจะทําอะไรนะถึงแม้ว่าเออเดี๋ยวกูกลับบ้านเดี๋ยวกูจะทําน้นนทำนี่แค่นี้คิดนี่กันก็แย่แล้วนะคิดแนตะ่ยังไม่ได้ทํานะอุลามาส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่านี่เฉพาะเรื่องแผ่นดินฮารอมนี่ก็จะมีก็จะมีฮุกุมพิเศษเขาก็เลยบอกว่าเช่นเดียวกันถ้าสถานที่ที่ต้องห้ามมีความศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เวลาที่ต้องห้ามก็ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันที่จะมีมีการนับ ปรับมากกว่ามากกว่าเวลาธรรมดาอื่นแต่ตัวบทโจงระดงแบบนีมีไหมไม่มีอันนี้แค่เปรียบเทียบกันนะในองในส่วนองประกอบอื่นๆออันนี้มันต้องเราต้องเชื่อว่ามันต้องบังคับคนที่ไมเป็นถือด้วยไม่ไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อบังคับนะผมไม่ได้ดวย่าน คือเราเชื่อฮัลโหลสำหรับเราก็เป็นฮัลโหลสำหรับคนทั่วลลกฮารอมสําหรับเราก็เป็นฮารอมสําหรับคนทั่วลกูกเราต้องเชื่อแบบนี้ส่วนบังคับแต่บังคับใช้กฎหมายนี่นะอันนี้แล้วแต่ความสามารถของเราเราอยู่ในสังคมนี้บังคับใช้ไม่ได้เพราะเราไม่มีอํานาจก็จะบังคับใช้ยยงไงแต่ถ้าสมมุติสมมติน่ะไม่ตัวมุสลิมนะสมมติไม่ใช่มุสลิมนะสมมุติว่ามีคนไทยนี่แหละที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ย ได้ตั้งสามารถได้เสียงส่วนมากในะรัสภาแล้วก็ตั้งกฎหมายใครเป็น l g b t q อะไรนี่ทั้งหมดนี่นะประหารออกกฎหมายเลยสมมุตินะแล้เกิดขึ้นกิดขึ้นี่ น, นีล่าสุดนี่เป็นข่าวที่โอแกนด้าโอแนด้านี่ออกกฎหมายว่าใครที่ เบี่ยงเบนทางเพศนี่นะอย่างน้อยเนี่ยคุกยี่สิบไม่ต้องเบี่ยงเบนนะตัวเองอะ่ะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรอะนะแต่สนับสนุนเชียร์เรียกร้องสิทธิ์ยี่สิบปีคุกยี่สิบปีโอ้โหตะวันตกนี่เดือดเลยเดือดยสมมติเนี่ยสมมติด่ามีกฎหมายบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นแบบนี้ mm. ก็เป็นกฎหมายบังคับ่ย กฎหมายบังคับวนละคนที่เขาดิาด้นรนกว่าจะได้ให้เป็นกฎหมายบังคับนี่อันนี้เขาก็จะใช้อำนาจของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายเราก็เหมือนกันเรามีความเชื่อความเชื่อนี้เราไม่สามารถบังคับคนอื่นได้เราเชื่อว่าสิ่งที่หรอมสำหรอมเล้วนี่ห้ามสำหรับแล้วหามสำหรับ ม, มนุษย์ทุกคนที่ Allah บอกว่าหรอมนี่ไม่ได้บอกว่าห้ามสำหรับ ม, มุสลิมคนอื่นเนี่ยกินได้นะไม่ใช่อา้าวแล้วที่เราบอกว่า ถ้ามีรัฐอิสลามแลวเขาอยากจะกินเล่าเราห้ามเขาไม่ได้นี่เพราะความเชื่อของเขาใช่ความเชื่อของเขานี่ที่เขาเชื่อว่ามันบิดเบือนนี่ในเมื่อเราตกลงกับเขาหนิว่าเขาจะอยู่ภายใต้อันดับของรัฐอิสลามเนี่ยเราจะให้เขาอยู่ตามความเชื่อของเขาเราไม่สามารถบังคับเขา <ot> เหมือนกันยกเว้นว่าเขานี่จะให้เราเนี่ยใช้กฎหมายอิสลามแบบเขาเนี่ยถึงจะใช้ได้นี่แต่ไม่ได้หมายรวมว่า ข้อห้ามของเรานี่แสดงว่าคนอื่นนี่เขาเกลียดที่แต่เรื่องบังคับเนี่ยเราบังคับไม่ได้อันี้มันก็ต้งต่างศสนิกนีในรัฐอิสลามนีสมมติพวกเขาจะกินเหล้ากันเนี่ยจะมีข้อแม้ไงข้อแม้นี่ว่าห้ามขายแบบเปิดเผยห้ามขายให้มุสลิมบางส่วนของข้อแม่นี่ที่มาเลเียเนี่ยเขาใช้กันมาเลผับคาราโอเกะเนี่ยถ้าเธอมุสลิมเข้าไปนี่ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมายแต่ถ้าคนจีนหรืออะไรที่ไม่ใช่มุสลิมมันนะ mm. ก็ก็ก mm. ็ตำรวจบางทีก็เข้าไม่เข้าเนี่ก็แล้วแต่ะแต่ระเบียบมันเป็นอย่างเั้นจริง mm. เข้าใจว่าส่วนมากของรัฐนะไม่ใช่ทั้งหมดด้วยนะบางส่วนนี่ก็เปิดหมดเข้าใจนะว่อย่างนั้นดัง น, นั้นเข้าใจนะว่าเรื ah ่องเชื่อว่าฮะลาห์หรอฮะรำมี่นะ อันนี้เราต้องเชื่อว่าฮาลาลสาหรับมนุษย์ทุกคนฮารอมสำหรับทุกคนแต่บังคับใช้ไ่นะอันนี้อันนี้เราไม่สามารถบังคับยกเว้นในกรณีบางกรณีเท่านั้ น, นใช่เราจะมีความสามารถในกาเป็นวาจิของคุณถ้ามีความสามารถเป็นวาจิแนวในการบังคับใช้ใช่ใช่คือถ้ามีความสามารถในการบังคับใช้เนี่ยบางกฎหมายเนี่ยถึงจะมีความสามารถเนี่ยก็บังคับไม่ได้ อย่างเช่นเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นกุฟรตอย่างเช่นบูชาจเจ้าววันี้เป็นกุฟรเป็นเรื่องซีดใช่ไหมแต่ถ้าเราทําข้อตกลงเขาอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเรานี่อันนี้เราจะห้ามเขาไม่ได้ไงแต่บางอย่างนี่ใช่ต้องห้ามได้อย่างเช่นใครจะมาอ้างว่าค้าประเวณีทําได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เราต้องบังคับ อันนี้อันนี้ไม่มีเพราะอะไรเพราะเพราะมีบางอย่างนี่เราเราต้องดูในศาสนาถ้าเป็นในศาสนาของเขาเนี่ยเป็นข้อห้ามเราก็ไม่ไม่อนิญ่าที่เขาจะฝืนหลักการศาสนาของเขาด้วยศา ส, สนาของเขาด้วยอืมมันมันแล้วแต่ข้อห้ามต่างๆข้อห้ามที่เราบังคับใช้บังคับใช้ได้ที่มันสอดคล้องกันเนี่ยนี่ก็ต้องบังคับใช้คริสต์นี่ พระพิชิตส่วนมากอนิกายส่วนมากบอกว่าเล่านีไม่บาปส่วนมากบางนิกายเท่นั้นที่บอกว่าเล่าหนีมันบาปพุดอย่างเงี้ยเล่านี่บาปไหมบาปไหมไม่บาปเล่าไม่บาเล่ า, านีผิดศีลแล้วผิดศีลนี่อันนี้ถามทัวไปผิดศีลนี่ก็หมายถึงว่าสมควรที่จะรักษาหมายถึงว่า ถ้าคนไม่รักษาศีลห้าเนี่ยศีลห้าเนี่ยคือขั้นพื้นฐานใช่ไหมคนที่ไม่รักษาศีลห้าเนี่ยก็ยงังยังคงดํารงความเป็นพุทธมามัคคัทก็หมายถึงว่ายังเป็นพุทธอยู่ยังเป็นพุทธอยู่ศีลห้าใช่ไหมแต่ของมุสลิมเนี่ยอะไรบางอย่างนี่ที่เป็นพื้นที่อย่างลูกุลเนี่ยถ้าไม่ทํำมานะมุสลิมามักคะนี่ไม่ได้ ไม่ละหมาดไม่อะไรอันนี้ต้องพิจารณะนะาควาะเป็นมุสลิมดื่มเหล้าผิดประเวณีโกหกฆ่าสัตว์ติง๊งฆ่าสาตัตว์ิอยู่ในสีนห้านะ ส, สีนสิห้านี้ถ้ามันเป็นวาญิบะนะันหน้ากันกมต้องทำถ้าไม่ทำี่เป็นบาปแล้วก็ททำอย่างนี้ไหมเขาเาเขาเชื่อว่ามันมั น, ม, นมันคลิงขนาดนั้นไหม ผมฟังแล้วนี่แต่ที่เขาพูด น, นะหนึ่งสี่นันอะไรอะไรคล้ายๆมัครู้นะมักรูไม่ใช่ไม่ใช่บาปมันไม่ใช่แบบว่าบาปร้ายแรงอะไรบางอย่างนี่มันบาปร้ายแรงการพนั น, นในศาสนาอิสลามบาปใหญ่และแปลกนะสิ่งที่สิ่งที่เป็นศี่ห้าที่ต้องห้ามนะมันระ บ, บาดนะมันระ บ, บาดในสังคม เรื่งการพนันหนึ่งกินเหล้าเรื่องมุสาเรื่องมั น, นมันเป็นเรื่องที่แบบว่าทำกันว่าเล่นนะแล้วถ้าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแล้วก็มีสิ่งที่ต้องห้ามแล้วไม่มีโทษเลยนะไม่มีบทลงโทษเลยในเงินในโลกอทําแล้วเนี่ยไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการลงโทษไม่มีการปรบับปรามเวลวเขาพูดถึงศาสนาอิสลามเนีย่ยมันจะข้อแตกต่างนีมันชัดเจนในเรื่องนี้ เสจเนี่เรื่องลงโทษคนไทยตอก่อนนู้นเนี่ยไปประเทศซาอุดีอาระเบียนี่ไม่รู้น่าสงสารเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยที่ไปทํางานนะ่ะนู้นนะ่ะสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนะ่ะคือมาจากอีสานนะ่ะคนก็กินเหล้าทุกวันนะ่ะแล้วก็ส่งไปทํางานแล้วก็ไม่ได้บอกว่าประเทศเขาเป็นแบบไหนแล้วก็ไปที่นู่นนะ่ะไปหาซื้อเหล้าเนะี่ยไม่มีเหล้า คือแทนที่จะเอกใจหน่อยนะก็ไม่ดองเหล้าเลยดองธรรมดาใช่ไองคนไทยไม่มีเหล้าจะซื้อนี่ทาอะไรดองเองเลยไปดองเองดองเองแล้วก็ตั้งวงเหล้ากินสนุกสนานเนื้อหลาตัวจับนอกจากก็โดนเขียนโดนลงโทษแล้วสงสารจริงๆเหรคนไทย คือแต่ก่อนนู้นน่ะคนจะไปประเทศไหนเนี่ยแล้วก็กฎหมายประเทศนั้นแต่เป็นกฎหมายที่มีความเข้มงวดต้องบอกเขาแต่แต่ก่อนนู้นน่ะคนไทยนี่ไปจํานวนเยอะเป็นแสนน่ะคือไม่ทันจะอบรมรถไหนพร้อมเนี่ส่งเลยหนูแต่ก่อนนู้นน่ะไปกันน่ะเป็นล้าอ่ะสี่ร้อยห้าร้อยไม่ไม่ทันจะอบรมหรอกคนไทยนี่เยอะนะ่ะ เยอะมากเลยเป็นแสนนะคิดดูดิมันก็เลยเกิดเกิดเกิดปัญหาและนี่คือข้อข้อแตกต่างกันเพราะว่ามันมันความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างนึงเวลาเห็นเวลาเห็นกลุ่มหนึ่งในสังคมที่คือไม่เอาไหนเลยเนี่เรื่องศรลแลงศิลธรรมเรื่องอะไรเนี่ยไม่เอาไหนเลย แ่อีกลุ่มหนึ่งในสังคมนีม่เข่งคัดในเรื่องศาสนานี่นี้บ้านเรานี่มีเยอะมีเอะแล้วมันก็อันตรายทำไมอ่ะเพราะคนที่หลุดนะ่ะหลุดคนที่หลุดโลกนะ่ะเขาก็รําคาญคนเข่งไงใช่ไหมแล้วคนเข่งเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวอ่โอ้โหนเขาทำมาทำโมขนาดนี้แล้วก็มีคนที่มีเอาไหนเรื่องศีลธรรมอะไรมันก็อยู่กันยากเนี่ย นีความเหลื่อมล้ำแบบนี้มันก็เกิดจากกฎหมายเซรีที่เปิดเปิดไม่ให้ไม่ให้ปราบปรามเรื่องนี้ที่จริงแล้วนี่บางอย่างนี่มันต้องมันต้องควบคุมเพราะรู้นี่ผลอันตรายผลได้ของมันเนี่ยผลของเหล้าผลของยาเสพติดรู้กันเนะมันมันอันตรายขนาดไห น, อ, น, นอันี่มาโอ้นี่มากันเป็นชุดๆเลยนะแต่และพักนี่ก็เสรนีนู่นเสรีนั่นเนะ แล้วก็แต่เรื่องแต่เซรีน่มีแต่เรื่องอับยมุกทั้งนั้นน่ะ๋ย่าเรื่องแปล ก, กัมันแปลกตรงนี้เนะี่ยครับนี่งนนะครับอืมท่านมีเกี่ยวกับรือพที่ทำจิเจอืมใช่ไมมันมีีก้วดีลง่อคคือถ้าหากว่ามันเป็นความรู้สึกเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่อบเก็บไว้ในหัวใจของเขา หรือเป็นพฤติกรรมที่ประพฤติรรในที่ลับไม่ไม่มีใครรู้อันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างเขาก่อนหรอกแต่ถ้าความประพฤติรรของเขาคำพูดวาจากริยาแสดงออกอันเป็นผลจะเป็นผลต่อคนในสังคมอันนี้เนี่ยต้องปราบปรามตามลำดับ ใช่ก็หมายถึงว่า เ, เช่นคนที่ผู้ชายเรียนแบบผู้หญิงผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายนี่ถ้าออกมาเนี่ผู้ชายออกมาแต่งตัวเหมือนผู้หญิงนี่อันนี้ก็ต้องถูกห้ามแต่หากว่ามี ม, มีมีผิดประเวณีเนี่ยอย่างอย่างที่เขามีกันนี่อันนี้เนี่ยถ้าเลี่ยงเปิดเผย น, นี่ก็ต้องคือประเด็นว่าถ้าเขาไม่เปิดเผยนี่ก็มมีใครรู้มันก็จบตรงนั้นไงไม่มีใครรู้ไง เหมือนบาปทุกชนี้แต่ละที่มีโทษในอิสลามมะนะแล้วก็ แ, แอบทำแล้วไม่ถูกจับไม่มีพยานไม่มีหลักฐานมันก็มันก็จบตรงนั้นแต่ถ้าออกมาทําเปิดเผยทําให้คนนี่ทำแล้วก็ให้คนมองว่าบาปนี่เฮ้ยบาปนี่เรื่องเล็กทําได้ว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยรัฐเนี่ยต้องบังคับใช้กฎหมายก็คือห้ามไม่ให้เปิดเผยห้ามไม่ให้ทําอย่างเปิดเผยมันหมายถึงว่าศาสนานี่สนับสนุนนะให้ทําบาป ทางลับเนะี่ยไม่ใช่แต่การที่จะห้ามไม่ให้ทำบาปทางลับแล้วก็เปิดเผยเนี่ยอันนี้มันมันคือคําสั่งสอนอะมันคือการสอนหมายถึงว่าเป็นการติรเบียแต่ที่จะบังคับใช้เฉพาะเปิดเผยอํานาจของรัฐอํานาจกฎหมายไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร่วมเกินในความลับของผู้คนทั้งหลายชาวมุสลิมหรือไม่าวมุสลิมอะนะไปร่วมเกินในความลับของเขา ในบ้านเขาในในที่เรือนที่อาศัยอยู่ก็อันนี้กฎหมายนี่ไม่ไม่อนุ ญ, ญาตเช่นเดียวกันครับ อ, อันนี้เราเราจะบอกว่ า, าแล้วคนเหล่านี้ถ้ามีรัฐอิสลามนี่คนเหล่านี้นทํายังไงคนเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขเปลี่ยนแปลงเอาสมมติเนี่ยเขาไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเขาเชื่อว่าเขาถูกต้องแล้วก็แล้วแต่คนก็เชื่อตามคนก็ประพปฏิบัติแต่อย่าเปิดเผย อ น, นี้คือคําตอบว่านะมุนรัตอิสลามทํายังไงกับพวกนี้อย่าเปิดเผยอย่าทำํำอย่าทําสิ่งที่มันผิดหลักกสสารศาสนเาเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีตัวบทเฉพาะนะแม้กระทั่งเอทัศนะอุลามาส่วนมากที่เขาบอกว่าผิดประเวณีระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะชายกับชายเนี่ยที่มี บทลงโทษที่มีหะดีสว่าให้ประหารชีวิตเนี่ยถ้าศนน่ที่มีน้ําหนักมากกว่าหะดีสในมันไอยทั้งนั้นจะลงโทษเนี่ยถ้าศนะที่มีน้ําหนักมากกว่าศนน่าของอิอบาราฮิมอานีฟาก็คือคนเหล่านี้นะก็ถูกลงโทษด้วยการให้จําคุกหรือถูกค่มขู่หรือถูกอบรมทําไมเพราะเขาบอกว่าบาปของเขาเนี่ยมันไม่เป็นบาปชนิด ที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติแล้วไม่เหมือนซีนาระหว่างชายกับหญิงซีนาระหวางชายกับหญิงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันตรงกับธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยเรื่องความไข่ความอยากระหว่ังเพศตรงข้ามด้วยกันนั่นนะแต่ระหวางเพศเดียวกันนี่มันขัดกับธรรมชาตินะฉะนั้นเอกฉันารเลยเนี่ยสมมุติเด็กคนที่ผิดประเวณีกษัตริย์นะอันนี้ไม่มีอาหารชีวิตทําไมครัผิดกับธรรมชาติอยู่แล้ว อันนี้อันนี้พอเรื่องนี้มีความมีขีลาบในระหว่างบรรณาอัลมาเก็โทษอีกก็ไปเด่นเนี้ยแม้กระทั่งโทษของการแสดงออกอะไรอย่างแต่งผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายอะไรแบบเนี้ยนี่ก็ไม่มีบทลงโทษเฉพาะสิ่งที่ทําได้ก็คือห้ามอย่าทำมีลงโทษอะไรมีเคียนอะไรก็ไม่มีตัวบทมันก็อยู่ในดุลพินิษของของรัฐนะจะกําหนดอะไร แต่บาปอะไรที่มันไม่มีตัวบทเนี่ยมันก็มีข้อแม้มีหมายถึงมันมีเงื่อนไขว่าไม่ควรที่จะกําหนดบทลงโทษที่ถึงบทลงโทษของบาปใหญ่ที่มีตัวบทเฉพาะไม่งนั้นเท่ากับเรากําลังเอาบาปที่ไม่มีตัวบทเนี่ยมีสถานะเหมือนบาปที่มีตัวบทอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ตรงนี้นี่มีกติกาในการในเรื่องดุลพินิจของเวชศัสตรเนี่ยพราะมันเป็นประเด็นเนเออมันมันน่าพูดคุยเข คนก็จะได้เข้าใจหลักการศาสนาด้วยอิสลามทำไมมองแบบนี้ทำไมอิสลามมีหลักการแบบนี้เราจะแก้ไข ย, ยังไงครับแค่นี้นะสุลัยลุมุรัฏฐุลลอฮ